พระธรรมเทศนาแผ่นที่98ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเจอกับตัวเองแล้วจะจำไม่ลืม วันในหลวงพ่อคงจะไม่ได้พูดอะไรนานเดี๋ยวก็จะให้พระเปิดเอ3พสให้พวกเราได้ฟังพอหลวงพ่อวันนี้ตั้งแต่เชา้าออกไปทำธุระที่อุดอกรก็ะพึงกลับมาถึงตอนเย็นเห็นว่าคณะศัทาญาติโยม มากแล้วก็เป็นวันพระแรกของพรรษาขึ้นมาเพื่อจะได้พบมีอะไรจะได้พูดกล่าวคณะทศทา ญ, ญาติโงมพระเนรลูกหลานได้ฟังวันนี้เป็นวันที่27กรกฏาคมพุทธศักราช2559 วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนแปดเขา้าพรรษามาวันนี้เป็นวันที่แปดพวกเราได้มารวมกันทำวัดเย็นพึ่งจบลงสักครู่นี้ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแนะ น, นำอะไรให้คณะตถาญาติโยมพระเนนลูกหลาน ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ฟังพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาถ้าหากว่าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังมันก็ขาดอีกเหมือนกันเหมือนกับขาดอันหนึ่งขาดการศึกษาขาดการได้ยินได้ฟังแต่ลุงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าลุงพ่อได้ศึกษามาอย่างไร ได้ปฏิบัติมาอย่างไรศึกษามาตามพรัฒนรรวิเนัยของพระพระทุทธเจ้าแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็พยายามจะแนะนําที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ประสบปการณ์ในเรื่องต่างๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวต่างกล้ำต่างวาระ ให้คณะจัดทายาจโจมได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเองเมื่อได้ยินได้ฟังมาอย่างไรก็พยายามบอกกล่าวในเรื่องนั้นๆให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังเป็นอันว่าหลวงพ่อเองไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์ใคร้าว่าไม่ได้กรรม สิ่งไหนที่ว่าไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่คณะสิทธิานุสิตและพระเนนลูกหลานควรจะรู้หลวงพ่อไม่เคยปิดบังในเรื่องนั้ น, น, นพยายามเปิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังไม่ว่าเรื่องหลักธรรมวินยัยเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมการเป็นอยู่ของพระ การเป็นอยู่ของพระราชการญาติโยมการอยู่ด้วยกันมากน้อยหลวงพ่อจะพยายามแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ว่าบางครั้งหลวงพ่อก็พูดเรื่องการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจต้องมีการเสียสละกับพูดเรื่องเกี่ยวกับทานแต่เมื่อพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมา หลวงพ่อจะบอกว่าควรมีศีลในเมื่อพวกเราอยู่ตามลำพังอยู่นัสถานที่ใดก็าตามในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะท่านให้มีสมาธิให้ดูใจของตนเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าคนมีใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลใจเป็นศีลเป็นธรรม ใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสใจเป็นพระอรหันต์ใจเป็นพุทธะใจใจเป็นพระอริยะมันมีหลายระดับนะใจตรงนี้มีหลายระดับก่อนที่จะเป็นอริยะก่อนที่จะเป็นพร ะ, พะ ส, สักพัสดาสักทาคาอนาคาอรหันต์หรือเป็นพุทธะท่านเป็นมาอย่างไรต้องฝึกหัดนะต้องฝึกหัด พระอริยะเหล่านั้นไม่ใช่ว่าฝึกฝึกหัดมาพบนิชาติเดียวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าท่านจะฝึกมาชาตินิชาตเดียวถ้าเราได้ศึกษามาแล้วในหลักพระธรรมคำสอนศึกษามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติอย่างพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ศึกษามาบำเพ็ญมา บำเพ็บารมีมาไม่เหมือนกันอีกอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปัญญาที่กะท่านบำเพ็มาสีอสงไขย์กำไรแสนมหากัปแต่บางองค์บำเพบารมีแปดอสงไขยแต่องค์นานที่สุดคือสิบหกอสงไขยแต่ว่าพัน สิกสงไข่นี่ยแปลว่าบา ร, รมีใหญ่เต็มที่นานๆจะมีครั้งหนึ่งที่บำเพ็ญมาท่านี้พระสาวกก็เหมือนกันที่เป็นพระสาวกปัญญาที่กะบำเพ็ญสองสองอสงไขยจึงได้เป็นพระสาวกอัครสาวกแต่ถ้าหาว่าพวกเราท่านทั้งหลายบำเพ็ญ ตั้งจิตอธิษฐานระหว่าบำเพ็ญมาที่เป็นพระสาวกไม่เหมือนกันอีกถ้าว่าบำเพ็ญบางท่าน เ, ออเมื่อบำเพ็ญมาแล้วมีบุญบารมีบุญหนักศัก์ใหญ่แปลว่าเป็นพระอริยะติวิชโชสละผิดโยปฏิสามพัฒพิทัพปัตโตอันนี้คือพระหานพิเศษ เหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนรู้จักดักใจทายใจสรุปแล้วก็คือมีอภิษญาหานอันนี้คือพระาราหันอกจําพวกหนึ่งแต่พระาราหันเอกจําพวกหนึ่งสุกขะวิปัสสโกอันนั้นเพียงแต่รู้ว่าตัวเองหมดกิเลสตัดกิเลสภายใ น, ในใจออกได้อันนี้บําเพ็ญก็ น, น้อยลงมาอีก เ, เพราะนั้นการบําเพ็ญของแต่ละท่านแต่ละดวงวิญญาณ แต่พระแต่ละภูมิของท่านไม่เหมือนกันนะคณะทายาติโยมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะมีใครท่านผู้ใดจะได้บำเพ็ญบุญบ ร, รมิมบุญบา ร, รมีมากน้อยกว่ากันแค่ไหนอย่างไรแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก พระสีอานพระสีอริยเมตไตรได้มาเกิดไหมในศาสนาของพุทธท่านก็ได้ว่าได้มานะมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสนาของพุท ธ, ใ น, ธ, นทธในครั้งพุทธการนี่แหละที่ท่านจะได้ตัดรู้ในองค์กนต่อไปท่านก็ได้มาบำเพ็ญบารมีอีกเหมือนกันกว่าบ้ากว่า บารมีของท่านจะแก่กล้าถึงคราวของท่านจะได้บำได้ลงมาตัดสรู้เป็นพระศีอริยเมตไตรนี่แหละท่านก็บำเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนนะบางชาติก็ได้กำไรมากบางชาติก็ได้กำไรน้อยบางชาติก็ขาดทุนปนปี่บางชาติก็ได้กำไรมหาศาล ก็เหมือนกับเราทำมาค้าขายเนะ่ยเกิดมาทั้งชีชีวิตบางทีก็ไปเกิดอยู่ในป่าดงพงไพ่ไม่รู้ไม่มีพระพุทธาศาสนาไม่ได้มำเพงกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เขาไปเห็นเขาไปเกิดเป็นคนป่าคนดง เ, เขาเลี้ยงชีพเหมือนกับเลี่ยงสัตว์แต่ว่าเป็นมนุษย์ไม่มีเสื้อผ้าอีกต่างหาก อันนั้นแปลว่าเกิดมาพบนั้นชาตินั้นเขาไม่ได้นับถือไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ได้ศึกษาแปลว่าชาตินั้นเปล่าประโยชน์นะแ解释ว่าเปล่าประโยชน์ที่เดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางทีเขาอาจจะมีอุปนิสัยมีอยู่แต่มันถลํมไปเกิดอย่างนั้นแต่บุญของเขายังมีอยู่เรียกว่าเขารู้จักบุญคุณผู้มีอุปกระคุณ แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยเมื่อท่านเป็นเล็งท่านเกิดกับแม่พ่อไปเดิดกับแม่แม่ตาบอดท่านก็ยังเลี้ยงแม่ของท่านถึงท่านจะเป็นสัตธ์ิฏชาลก็มีมากต่อมากในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงว่าเป็นสัตธิฏชาพรพระพรองค์ยังไม่ลืมบุญคุณของบิดามารดาไม่ลืมคุณ พ่อแม่ของท่านถึงจะเป็นนกก็ยังระลึกถึงบุญคุณถึงจะเป็นเล่งเป็นช้างเป็นสัตว์ก็ยังระลึกถึงหเห็นบุญคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงตัวของท่านมาอันนี้คือสัตว์ที่มีอุ ป, ปนิสัยเก่าแก่แต่ก็หาได้ยากแต่โดยมากก็นี่แหละไม่รู้จักบุญคุณเพราะไม่ได้ศึกษาไม่มีบุญ เก่ามาก่อนนี่แหละถ้าว่าเราไปเกิดอย่างนั้นแปลว่าชาตินั้นแปลว่าชาติที่เปล่าเปล่าประโยชน์เปล่าจากคุณงามความดีถ้าว่าเราไปเกิดในการศึกษาก็จเิงอยู่แต่เราไปเกิดมาแล้วไปเกิดที่ไม่มีไม่ได้มีการแนะนําไม่ได้มีการบอกกล่าวมีแต่สอนวิชาอย่างอื่นแต่เรื่อง ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเขาก็ไม่ได้บอกได้กล่าวเกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เรียนวิชาความรู้แต่ว่าการกระทาของเรานั้นไม่อยู่ในศีลและธรรมจริยธรรมที่ดีชาตินั้นก็ได้บางคนบางท่านก็ได้กำไรบ้างบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังขาดทุนแต่บางชาติเกิดมา ได้พบพระพุทธศาสนาได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ทำตนเป็นคนดีอีกแล้วก็ได้ดูแลบิดามารดาแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาจนถึงทำจิตใจให้สงบชาตินั้นแปลว่าได้กำไรพระพุทธเจ้าของเราถึงจะไม่มีาศาสนาแต่ท่านสมัย มีหรือเป็นลือสีชีไพรอยู่ในป่าในยุคนั้นสมัยนั้นท่านก็ออกไปบวชเป็นลือศีอยู่ในป่าจากนั้นก็ได้บาเพ็ญตะปะเรื่องกิตตภาวนาจนถึงได้ฌานจากนั้นท่านไปเกิดในพมลโลกก็มีมากตัวมากอีกเหมือนกันแปลว่าชาตินั้นไม่เปล่าไม่เสียประโยชน์ได้กำไรแต่พอพวกเราบางชาติได้มาเกิดไปพบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้พบศาสนาของพระองค์ท่านท่านแนะนาสั่งสอนอยากพวงเราท่านทั้งหลายพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนจากนั้นเราก็นำมากันกรองไตรตรองด้วยจติตด้วยปัญญาของเราว่าเป็นพระธรรมคำสอนที่ว่ามีเหตุผลมีเหตุผลในการ ฟังในการได้ยินได้ศึกษานั้นจากนั้นเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายจายจใจของเราอันนี้ก็เป็นการสั่งสมบา ร, รมีของพวกเราอีกเหมือนกันอันนี้แปลว่าต่อเติมบุญบา ร, รมีของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาพบนิชาตินี้เทีมาพุทมาถึงพวกเราถ้าว่าพวกเราปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจมันก็ได้กําไร มากน้อยอนนั้นกัสุดแท้แต่สุดแท้แต่ผู้ที่ใส่ใจและสนใจถ้าผู้ที่ใส่ใจสนใจตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจรักษาศีลด้วยความเชื่อศรัทธาและก็ประกอบคุณงามความดีจนภาวนาจนได้สมจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เป็นการ บ่มเพราะบญบา ร, รมีของตนเองต่อไปภายภาคหน้าทาว่าไม่พ้นทุกในภพนี้ชาตินี้เราก็ออกจากชาตินี้ก็ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งพรมเป็นพรมชั้นใดชั้นหนึ่งในเมื่อเราภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสมบงบงบก่อนที่เราจะหมดลมหายใจ เร็วกรอนที่เราจะหมดลมหายใจเราเระลึกถึงขุณงามความดีและลึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทําไว้พวกเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปพักอยู่ที่นั่นก่อนอจากนั้นก็หมดบุนแล้วก็ลงมาเกิดอีกมาบำเพ็ญอีกถ้าว่าพวกเราไปอยู่นานเร็วบุญบา ร, รมีของเราแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆรยเราจะได้มาเกิดในศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตร พุธทธเจ้าจากนั้นมาเราก็ได้ฟังพระธรรมมาเลสนาอันนั้นแปลว่าเราได้กำไรอย่างมาก เ, าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่างหากกิจฉาบมนุษย์สัพพติลาโผเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกเกิดมา ก, ก็ได้พบพระพุธทธเจ้าอีกต่างหากาแปลว่าบุญกุศลของ เ, อเราได้อานิสงส์มากมายมหาศาลในชาตินั้น แต่บางคนก็อย่างว่าพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่พอมาเห็นพระพุทธเจ้านี่เหมือนเหมือนไม้ตำหูตำตาเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นมาอีกยิ่งบาปหนักไปอีกยิ่งตะก่อนก็ไปเกิดในที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าถึงจะบาปก็บาปอยู่แต่ก็ไม่มากแต่มากเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าอิจฉาพระพุทธเจ้า ลังแกรพระสงฆ์อีกออไม่นับถือเลื่อมใสแล้วยังเบียดเบียนพระสงฆ์อีก เ, ออเบียดเบียนพระอรหันต์อีกนั่นล่ะบาปทวีคูณอีกเหมือนกันนี่แหละก่อนที่จะพวกเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพระุทธศาสนาแล้วเรายัางวิเคราะห์เลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นนับว่าเป็นบุญ อย่างมากสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเรานึกย้อนดูชีวิตของพวกเราตั้งแต่ก่อนที่เราข้งมาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่รู้จักไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพธธุทธะเราอยู่ห่างๆเราก็มีจิตใจอีกแบบหนึ่งแต่บัดนี้พกเรามาถึงจุดนี้จิตที่พวกเราเข้ามาศึกษาธรรมะ ได้รักษาศีลด้วยได้ภาวนาด้วยได้เนื้คิดกันตรองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังต่างกล่าต่างวาระเรื่องว่าได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราก็เข้าใจในหลักธรรมลึกซึ้งในหลักธรรมเชื่อมั่น ในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะจากนั้นเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติมาถึงจุดนี้แหละอันนี้หลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะพวกเราภาคภูมิใจท่านนึกว่าได้กําไรก็ได้กําไรชีวิตนะถ้าเปรียบเทียบดูนึกย้อนหลังนึกย้อนหลังไปดูที่ก่อนพวกเราจะเข้ามาถึงจุดนี้ไนะงตะกอนหน้านี้หลวงพ่อ ถ้าว่าพวกเราได้นึกย้อนหลังหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราพวกเราได้กําไรนะได้กําไรชีวิตนะ เ, เว้นเสียแต่เรามาถึงจุดนี้แล้วก็อยากได้กาไรอก้าวกระโดดอันนั้นก็มันก็ทุกข์ใหญ่อีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราพยายามทําจิตใจให้สงบแต่มันก็ไม่สงบเหมือนแต่กอ่อนอมันก็ ไหลไปไหลามาถ้าเล่นไปถ้าเล่นมาหลีกไปลีกมามันไม่สงบแต่ก่อนก่อนหน้านี้จิตใจของเราสงบแต่มาบัดนี้ทำไมมันเป็นอยาน่างนี้อันนี้คือจุดนี้คือว่าเราเราคิดว่ามันถอยหลังแต่ตามมิจริงไม่ใช่นะมันเป็นอีกมิติหนึ่งแต่อาฮัดเอาเถอะให้เรามองดูเราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาในการควบคุมจิต ในขณะนี้ที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันไม่อยู่จิตใจมันไม่เข้าสู่ความสงบมันนิ่งไม่ได้เราจะไปเสียใจจะไปบังคับมันมันไม่บังคับอะไรมากริงกระโดดโลตินเอาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นํามาพิจารณาก็ได้ทีนี่จิตใจที่มันมันไม่สงบอย่างนั้นนํามาพิจารณาร่างกายสังขารให้มันคิดดูซิคิดดู การเป็นอยู่ของเราคิดดูคนรอบด้านรอบข้างของเราที่แก่เจ็บตายมีมากต่วมากยังน้อยกับพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราที่เราเห็นไปไหนหมดท่านเหล่านั้นจากนั้นกันมานึกมาดูตนเองอีกทีเราจะไปอย่างนั้นใช่ไหมหรือไม่ไปเราจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายอย่างนั้นใช่ไหมใจ เสี่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาทั้งหมดปัญญาวิปัจจนาค่แคๆว่าตายเต้าเหมือนกันนะเพราะเราเห็นของไม่เที่ยงหเห็นทุกหเห็นทุกในการตายหเห็นทุกในการเป็นจูเห็นทุกในท่านผู้จากไปและก็เห็นทุกในตัวของเราอีกต่างหากอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเดินตามสายนั้นไปอีกละ วันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละถ้าเรานํามาพิจารณาทบทวนดูตนเองเราก็จะเห็นอนิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราจากนั้นน่ยถึงมันจะคึกขนองไปขนาดไหนก็เถอะนะมันก็เห็นจุดจุดอณิจังไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุก เราจะจัดว่าเป็นของเราได้ยังไงเอาความตายมาเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมเอาความแก่เป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมชอบใจไหมที่เราที่ไม่ชอบใจนั่นะสิ่งไหนที่มันแก่เราจะไปชอบใจยังไงเพราะเห็นอนนจังของไม่เที่ยงทุกมันจะเป็นทุกอยู่แล้วทุกขังอยู่แล้วเพราะนั้นให้พวกเราดูนึกดู ไม่ต้องดูใครอื่นนะดูตัวของเรา น, นั่นอ่ะชีวิตประจําวันของเรา น, นั่นแหละจากนั้นเราก็เมื่อรู้จริ๊รู้จริงอหลายครั้งต่อหลายหนศึกษาในตัวเองมองตัวเองดูตนเองเอแล้วก็ดูผู้ที่อยู่รอบข้างรอบด้านเราจากนั้นใจของเรามันก็ฮ อ, เ, อเบือ่อ เจ้าว่าเศร้าก็ใช่นะเจะว่าจิตใจของเราอยอมรับในเรื่องนั้นๆนี่แหะชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้ประกอบคุณงามความดีแต่หลวงพ่อย้ำแล้วพูดดีกว่าเราไม่ใช่เอาความตายมาคู่กันหลอกกันนะเอาความไม่เที่ยงมาพูดให้กันฟังเตือนกัน ด้วยความหวังดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อพวกเรานะ้ทั้งผู้พูดด้วยทั้งผู้ฟังด้วยมันไปแนวแถวเดียวกันจะว่ามาขู่กันได้ยังไงมีแต่ว่าเจตนาดีต่อการนามาพูดให้การฟังพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะในหลักธรรมคาสอนของพุทธะตายแล้วไม่สูญหนนะ้อตายแล้วเกิดอีก ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงถ้าว่าพวกเราให้ศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาจะไปคาดคะเนจะไปเดาจะไปประมาณการไม่ได้ทั้งนั้นละ่ะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้นะนี่ก็เหมือนกันนะะั่นแถ้าว่าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง เราได้เจอเข้าแล้วนะมันจำไม่ลืมนะมันจะรู้ในจิตในใจของเรานะแต่ทางว่าพวกเรายังไม่เจอของจริงเนยะมันยังสงสัยนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สรุปแล้วมาอยู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้นะบางท่านบางคนอาจจะถือเนชชิก็ได้วันนี้ พระเจ้าจะไม่นอนตลอดคืนจะยืนเดินนั่งเท่านั้นเดินกับนั่งเท่านั้นจะไม่นอนพิธภาวนาอันนี้เท่าไเนชชินะแปลว่าถือไม่นอนตลอดคืนนะทดลองออดอาหารเราอดอาหารไม่ฉันไม่ทานอาหารทั้งวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง อดดูซิเป็นยังไงในการภาวนาถ้าเราฉันอิ่มเกินไปมีแต่หนังท้องตึงตาปือ๋อเนี่ยมีแต่งวกง่วงนั่งที่ไหนมีแต่จับประงกงกันมีแต่จะหลับอย่างเดียวเราทานอาหารให้น้อยดูซอไม่ทานอาหารเลยน่ยทดลองดูซิแล้วก็การอดนอนมีแต่เดินยืนมีแต่ยืนเดินนั่ง โดยมากพี่จะเดินกับ น, นั่งไม่นอนทดลองดูซีนี่แหละการภาวนานะผ่าลูกพ่าหลานทั้งหลายนะมันต้องมีหนักมีเบานะอย่าไปทําอย่างเก่าตลอดไปไม่ได้นะเวลาควรจะเร่งควรจะภาวนาควรจะปรับปรุงกายใจของเราอย่างไรเราต้องเข้ามาศึกษาเลยนะเรามาศึกษาแล้วเนะี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่น มาเพื่อศึกษาธรรมะมาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อบำเพ็ญสมาธิกิตตภาวนาเรามาบำเพ็ญเรื่องกิตตภาวนาเราจะทำยังไงถ้าว่าพวกเราทำอย่างเก่าทาอย่างเก่ามันก็ได้อย่างเก่านะั่นแะแต่ถ้าว่าพวกเราพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อเองมั่นใจนะ พวกเราจะจิตใจของเราจะก้าวหน้าจิตใจของเราจะได้รับความสงบแล้วพวกเราจะไปพูดจะไปพูดจะไปคุยกันปิดวาจาวาจาให้ปิดไม่ต้องพูดในการประพฤติปฏิบัติธรรมพูดให้น้อยที่สุดหรือไม่พูดเลยในวันนั้นไม่ต้องพูดกับใครบอกแล้วไมไม่ต้องพูดกันนะเราจะภาวนา แล้วก็หยุดอใช้วาจาภาวนาอย่างเดียวมีอะไรยังค่อยพูดกันเว้นเที่ยวแเจ็บไข้ได้ป่วยเออมีอะไรปัญหาอะไรยังค่อยพูดถ้าไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องพูดกันนะเนี่ยแหละปิดวาจานั่นแหละ อ, อไม่ใช่ว่าพออดนอนคืนนมาไปนั่งคุยกันทั้งคืน อ, อ, อดอาหารคือมาหิวอาหารนอนไม่หลับไปคุยกันทั้งคืน มันยิ่งแย่ใช่ไหมขาดทุนผลปีอย่างมหาศาลเลยถ้าทําอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะการภาวนาเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้มีสติอยู่กับตนเองไม่ต้องคุยกันหยุดคุยกันไม่ต้องคุยกันปิดวาจาแต่เราก็ไม่ถึงอธิษฐานหรอกจะไม่พูดตลอดไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเมื่อคราวจําเป็นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า มีมาแรงแตะขาบมันกัดอย่างนี้ เ, เราก็จะต้องไลยช่วยกันได้พูดกันแต่ถ้าไม่จำเป็นไม่มีอะไรเราจะไม่พูดกันาภาวนานะควรจะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องภาวนาเรื่องคุยกันมันมีแต่เสียโดยมากนะมันสัญญาอารมณ์มันจะออกมาทางปากจากนั้นพอได้ยินเข้ามาแล้วกัน มันก็คิดกันกองไตรตองไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาผลใ้สุกขณะเออเป็นสัญญาอารมณ์เข้าสู่จิตใจไม่เป็นผลดีน ะ, ะการภาวนาเนี่ยพูดให้น้อยที่สุดถึงจะพูดธรรมะก็จะกระลุจักรกาละการสถานที่ธรรมชากัดฉาเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เป็นบ้าน้ำลายพูดพ่ามไปตลอดอพ่นน้ำลายไปตลอด ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะการภาวนาต้องอยู่ในความสงบนะพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไปเปิด MP3 า เ, เพื่อการศึกษาอีกรอบหนึ่งนะเอานั่งสมาธินทตตนีนะขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ประนมมือขึ้นระหว่างอก ไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธ ร, รมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนะมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนให้ภาวนาพุทโทนะลูกหลานนะอย่างอื่นเอาไว้ก่อน เ, อเราจะเพ่งตวงแก้วเราจะเพ่งอยุบหนพอพองหนุเราจะอะไรก็ตามนะ เอาไว้ก่อนหลวงพ่อมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อภาวนาพุทธโธตามแนวแสลหลวงปู่มั่นเท่านั้นพอหลวงพ่อสอนกรรมฐานนี้ถ้าจะทํากรรมฐานอื่นมันผิดสถานที่มันผิดสถานที่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพอ่อไม่ไม่รู้จะสอนอยังไงพอตัวเองไปภาวนาเอาอย่างเืินมามาบริกรรม มันไม่เหมือนตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นวันนั้นมาที่นี่หลวงพ่อไว้ภาวนาพทุทโธอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกนะเวลาเห็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นให้กลับย้อนมาหาพทุทโธอย่าไปตามดูนิมิตอย่าไปตูตามดูสวรรค์นรกอะไรไม่ต้องสนใจไปดูทําไมให้แต่ขนาดเราลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรแปลกไม่รู้กีก่อย่างตกกี่อย่าง เห็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเราเห็นได้สักว่าเห็นเท่านั้นน่ะนี่ก็เหมือนกันนะั่นนะอย่าไปใส่ใจในการเห็นใ ห, ให้พุโทโธเท่านั้น่ะย้อนกลับมาหาพุโทโธเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันจะหายหมดพยายามทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบเท่านั้นนั่นแหละเลิศประเสริฐนะ